ตอนที่27การโต้เถียงโศกนาฏกรรมในบ้านปลายชีวิตอันแสนรันทดของท่านผู้เฒ่าทั้งสองในชาติก่อนนางจะไม่มีวันยอมให้มันเกิดขึ้นอีกเด็ดขาดท่านหมอหลีบอกว่าพิษในตัวท่านย่าหากดื่มแล้วอุ่นสักนี้จะช่วยขับออกได้เร็วขึ้นเจ้าคะ่ะท่านปู่ก็เช่นกันท่านมักจะมีอาการตัวเย็นเป็นทุนเดิมดื่มล้าอุ่นให้มากหน่อยจะช่วยบำรุงร่างกายได้นะเจ้าคะ ผู้เท่าทั้งสองรับจอกเล่าไปพรางหัวระระบรรยากาศระหว่างปู่ย่าหลานช่างดูอบอุ่นเป็นกันเองเยี่ยหัวและภรรยาที่แอบมองอยู่ไกลๆจึงค่อยวางใจลงได้เยี่ยหัวกดเสียงต่ำยายโยเด็กคนนี้ใจกล้าขึ้นทุกวันถึงขั้นกล้าเซียมให้ท่านปู่วางแผนตลบหลังฝาบาทกับสิ้นอองแล้วแต่ก็นับว่านางฉลาดพอรู้จักผ่อนหนักผ่อนบริพอดิบพอดีภรรยาใช้ข้อศอกสกิดเขานันสีเยๆของพวกเราใช่คนที่ไม่รู้จักกละเทสเสียเมื่อไหร่ เยาเยาโตขึ้นมากแล้วนางไม่เพียงมีทั้งความกล้าและสติปัญญาแต่ยังรู้จักวิธีเอาชนะใจคนอีกด้วยเยี่ยหัวรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกแบบนี้ก็ดีในเมื่อนางไม่อยากแต่งงานมั่นครั้งนี้ก็พอจะมีหนทางแก้ไขได้บ้างทั้งสองไม่ได้เข้าไปรบกวนคนทั้งสาอีกแล้วค่อยๆปลีกตัวจากไปเงียบๆทางด้านสิ้นอ๋องเมื่อกลับถึงจวนก็ระเบิดอารมณ์โทสะออกมาอย่างหนักนา น, นานครั้งที่เขาจะตำหนิเซี่ยชิงจือด้วยถ้อยคํารุนแรงแต่เมื่อเห็นใบหน้าทั้งสองข้างของนางบาดเจ็บสาหาัส นางสวมผ้าคลุมหน้าพลางเสอือกสะอื้นอีกทั้งหวังเฟยยังช่วยพูดอยู่ข้างๆใจเขาก็เริ่มอ่อนลงวันหน้าเจ้าก็ไปจวนกัวกงให้น้อยลงหน่อยเถอะชิงจือพรุ่งนี้ตอนเข้าประชุมเช้าไม่รู้ว่าพวกขุนนางฝ่ายทัตทานจะเอาเรื่องนี้ไปเขียนดีกายอย่างไรบ้างขณะที่พูดน้ำเสียงของเขาก็เริ่มอ่อนโยนลงแต่หวังเฟยกลับเป็นฝ่ายโมโหเสียเองเหตุใดตระกูลเย่ถึงได้กลับกรอกเช่นนี้ ทั้งเซียนจือและชิงจือต่างก็คุกเข่าให้พวกเขาทั้งบ้านแล้วชิงจือเองก็ตบหน้าตัวเองจนเป็นเช่นนี้แถมยังโดนเย่เยาตกไปอีกฉากเรื่องมันควรจะจบลงได้แล้วเหตุใดพวกเขายังกล้าเอาเรื่องไปฟ้องต่อหน้าสบาดอีกหวังเฟยเห็นรอยบวมแดงที่ลอดผ่านผ้าคลุมหน้าของเสียชิงจือแล้วก็รู้สึกปวดใจเหลือเกินเหล่ากวงอาศัยว่าคนในตระกูลสามรุ่นมีผลงานทางทหารโดดเด่นนี่มันจงใจรังแกจนสิ้นอ๋องของพวกเราชัดชัด อย่างไรเสียพวกเราก็เป็นนายพวกเขาเป็นบ่าวฝาบาทเองก็ทรงตามใจตระกูลเย่เกินไปจริงๆพอได้ยินนางผู้เช่นนั้นน้ําตาของเซียชิงจือก็ยิ่งไหลพรากโทสะของสิ้นอ๋องก็พุ่งสูงขึ้นสองพ่อลูกตระกูลเย่นั่นคอยขัดขวางข้าไปเสียทุกเรื่องกับพวกตันตีที่มีสันดานมักใหญ่ฝ่ายสูงมันต้องตีให้หมอบถึงจะยอมสยบเดิมทีข้าก็ไม่อยากโดงกับพวกมันอยู่แล้วพอจะเกี่ยวดองกันเข้าจริงจ ก, ก็ยิ่งไม่ต้องหวังเลยว่าฝาบาทจะทรงอนุญาตให้ข้าเคลื่อนทัพไปตีพวกตันตี ในเมื่อตระกูลเย่ไม่อยากเกี่ยวดงกับจนอ๋องของพวกเราก็ถอนมั่นไปเสียเถอะข้าจะได้ไปทูลขอให้ฝ่าบาทส่งทหารออกศึกอีกครั้งสเสด็จพ่อลูกว่าท่านเข้าใจผิดแล้วลินเซิร์นเดินเข้ามาขัดจังหวะสิ้นอ๋องได้ทันเวลาพอดีพ่อเขามาถึงสิ้นอ๋องก็หันไปคาดคันเขาทันทีเป็นพระเจ้าแท้ๆหากเจ้าไม่ไปทูลขอราชาองค์การพระราชาทานสมรสฝาบาทก็คงไม่ทรงประทานลงมาได้ยินว่าแม่หนูตระกูลเย่นั่นเดิมทีก็ใกล้จะมั่นหมายกับใครนะชูชืช่ออะไรนั่นแล้ว หากไม่ใช่พระเจ้าเป็นฝ่ายทูลขอพระราชทานสมรสจนสิ้น อ, องคจะมาเกี่ยวโดงกับประกูลนี้ได้อย่างไรตอนนี้เป็นอย่างไรและนอกจากจะถูกขัดแข้งขัดขาไปเสียทุกอย่างแม้แต่ตอนจะทูลขอให้ฝ่าบาทมีราชาองคการเคลื่อนทัพข้ายัางต้องลังเลแล้วลังเลอีกลินเซนขมวดคิ้วมุ่นเย่เยาพูดไม่ผิดจริงๆเสด็จพ่อทรงยึด ต, ติดกับการจะส่งทหารไปรบกับพวกตันตีจริงๆด้วยเสด็จพ่อโปรดรองดูให้ดี จักรพรรดิองค์ใหม่ของพวกตันตีจ้องจะฮุบเมืองชายแดนมานานกว่าสิบปีแม้เสด็จพ่อจะเคยสกัดกั้นพวกมันไว้ได้หลายครั้งแต่คนที่ขับไล่พวกตันตีไปได้อย่างราบคาบจนพวกมันไม่กล้าส่งทหารมาสุ่มสี่สุมห้าอีกเลยก็คือสองพ่อลูกตระกูลเย่เมื่อสิปีก่อนพวกเขาเป็นคนขับไล่ชาวตันตีออกไปจากเมืองชายแดนอย่างสิ้นเชิงและสังหารแม่ทัพที่ห้าวหานที่สุดของพวกมันหลายปีมานี้ไม่ว่าศึกเล็กหรือศึกใหญ่กับพวกตันตีล้วนมีพวกเขาเป็นผู้นําพวกเขาย่อมรู้สถานการณ์ของพวกตันตีดีที่สุด ยิ่งพูดสิ้นอ๋องก็ยิ่งไม่อยากฟังเจ้าหมายความว่าพ่อของเจ้าสู้สองพ่อลูกนั่นไม่ได้อย่างนั้นหรือปีนั้นหากพ่อของเจ้าไม่ถอนตัวจากแนวหน้าจะมีที่ให้สองพ่อลูกนั่นได้หน้าหรืออย่างไรสึกเมื่อสิปีก่อนนั่นหากข้าเป็นคนออกรบอย่าว่าแต่ขับไล่พวกตันตีออกไปจากเมืองชายแดนเลยข้าจะถล่มรังของพวกมันให้ราบคาบด้วยซ้ำหลินเซินรู้สึกจนใจเหลือเกินเสด็จพ่อลูกไม่ได้หมายความเช่นนั้นเจ้าหมายความเช่นนั้นแหละ นิสัยด้วยรั้นของสิ้นอองเริ่มกำเริบใครๆก็พากันคิดว่าข้าแก่แล้วรบไม่ไหวแล้วข้าจะทําให้ทุกคนเห็นทําให้สองพ่อลูกตระกูลเย่นั่นดูว่าสิ่งที่เรียกว่ารบชนะทุกสึกมันเป็นอย่างไรหลินเซินยิ่งรู้สึกว่าสิ่งที่เย่เยาพูดนั้นมีเหตุผลนิสัยด้วยรัน้นเช่นนี้หลินเซินคุ้นคุนเคยเป็นอย่างดีหากไม่ใช่เพราะเย่เยาเตือนไว้ก่อนเขาคงจะยึดถือความกตันยูเป็นหลักจนไม่กล้าท้าทานมากความสเสด็จพ่อท่านฟังลูกก่อน ตอนนี้ทั้งสายลับและมือสังหารยิงจับตัวไม่ได้พวกมันต้องแฝงตัวอยู่ในเมืองหลวงมานานแล้วแน่ๆไม่มีใครรู้ว่าพวกมันสืบข่าวไปได้มากน้อยเพียงใดหากเราบุ่มบามเคลื่อนทัพในตอนนี้ย่อมเป็นฝ่ายเสียเปรียบสิ้นอองไม่สนใจเรื่องพวกนั้นเลยแม้แต่น้อยเมโทษะพุ่งพานเขาก็แทบจะคำรามออกมาแล้วอย่างไรเล่าหลายปีมานี้ข้าวว่างจนจะลงแดงตายอยู่แล้วพวกมันจะสืบข่าวอะไรไปได้ ต่อให้สื่อความลับทางทหารไปได้นั่นก็เป็นของสองพ่อลูกตระกูลเย่ข่าเคลื่อนทับออกไปตอนนี้สิถึงจะเรียกว่าจู่โจมโดยไม่ให้ตั้งตัวหลินเซินปวดหัวตุบเสด็จพ่อท่านอย่าเพิ่งวู้วามใครวู้วามกันคําพูดเพียงประโยคเดียวที่ไม่ได้ตั้งใจกลับจี้ใจดําของสิ้นอ๋องเข้าอย่างจังเจ้าก็เข้าข้างสองพ่อลูกนั่นคิดว่าข้าเป็นคนวู่วามเหมือนกันใช่ไหมเจ้าลูกไม่รักดีสิ้นอ๋องโกรธจนหนวดกระดิกตาถลน บินเซินเป็นคนกระตันยูและเชื่อฟังมาโดยตลอดแทบไม่เคยขัดใจสิ้นอองเลยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่พ่อลูกทะเลาะกันรุนแรงขนาดนี้หวังเฟยและเซี่ยชิงจือเองก็ไม่เคยเห็นทั้งสองคนไม่ยอมลดประวาศอกให้กันเช่นนี้เมื่อเห็นท่าไม่ดีทั้งคู่จึงรีบเข้าไปดึงตัวแต่ละคนไว้หวังเฟยโทษท่าน อ, องท่านจะไปถือสาหาความกับลูกทำไมกันลูกเขาก็หวังดีกับท่านอยากทำเพื่อท่านทั้งนั้นเซี่ยชิงจือ ที่เซียนจะมีอะไรก็ค่อยๆพูดเถอะเจ้าข า, านอ๋องเองก็คงเปิดตรอมมาดีแล้วหากความเห็นไม่ตรงกันก็ค่อยๆปรึกษากันใหม่ลินเซินพยายามสะกดอารมณ์ไว้แต่สิ้นอ๋องยังคงมีความขุ่นเคืองไม่หายหวังเฟยเพื่อที่จะสงบศึกพ่อลูกจึงเบี่ยงเบนประเด็นพวกท่านเป็นพ่อลูกกันจะทะเลาะ ก, กันไปทําไมดูสองพ่อลูกตระกูลเย่สิ่พวกเขาไม่เห็นจะทะเลาะ ก, กันแบบนี้เลยเรื่องในวันนี้พูดไปพูดมาก็เป็นเพราะทางตระกูลเย่เขาไม่ยอมจบเรื่องถึงได้ไปฟ้องร้องต่อหน้าฝ่าบาท แล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องศึกสงครามที่ชายแดนตันตีกันเล่าสิ้น อ, องก็่ น, น่นสิพรุ่งนี้ตอนเข้าประชุมเช้าพวกขุนนางฝ่ายทัตทานคงจะเติมสีตีไข่กันยกใหญ่แล้วสองพ่อลูกประกูลเยนั่นก็จะคอยสมไฟซ้ำไม่ว่าค่าจะพูดอะไรฝาบาทก็คงไม่ทรงรับปากง่ายๆเพื่อเลี่ยงข้อคอรหาว่าทรงลำเอียงหลิงเซิร์นอดไม่ได้สเสด็จพ่อเหตุใดท่านถึงต้องดึงดันจะส่งทหารออกรบให้ได้สิ้น อ, องถลึงตาใส่ทำไม เจ้าจะมาตั้งคำถามกับพ่อเจ้าอีกคนหรือไงทั้งสองเริ่มโต้เถียงกันอีกครั้งหวางเฟยปวดหัวจนแทบระเบิดส่วนเสี้ยชิงจือกับน้ำตาร่วมเพาะทั้งหมดเป็นเพราะข้าเองนางตะโกนออกมาคำหนึ่งทําให้หลิงเซินและสิ้นอ๋องเงียบเสียงลงเสี้ยชิงจือร้องให้จนผ้าคลุมหน้าเปียกชุ่มไปหมดเรื่องทั้งหมดเริ่มมาจากข้าเป็นเพราะข้าโง่เขลาเกิดจะทําร้ายฮูหญินเท่าตระกูลเย่ถึงได้เกิดเรื่องวุ่นวายตามมามากมายขนาดนี้ ท่าน อ, องโปรดวางใจข้าจะไม่ยอมให้ท่านต้องถูกพวกขุนนางฝ่ายทดทานตำหนิเพราะเรื่องนี้เด็กขาดลินเซินรู้สึกถึงลางสังหรณ์ไม่ดีจึงถามด้วยน้ำเสียงจริงจังเจ้าคิดจะทำอะไร